ปีที่แล้วหากชีวิตก้าวผิดพลาดปีใหม่นี้ไม่ประมาทย่อมดีได้อาศัยแสงพระศัทธธรรมส่องนำใจชีวิตเราย่อมเริ่มใหม่ได้ทุกวันพลอยฟ้า เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการมามีสติถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วเป็นผู้ที่มีบุญแล้วที่ได้มีชีวิตมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราอาจจะไม่ได้รับของขวัญหรือกำลังใจจากใครก็ไม่เป็นไรพรใดไม่เปรนเสเท่ากับพรที่เราสร้างขึ้นมาเอง ไม่มีใครจะให้พรเราได้แต่เราสามารถสร้างพรให้กับจิตใจของเราได้วันนี้ลนะเราเป็นผู้ที่มีความโชคดีเป็นผู้ที่มีบุญที่เรายังมาได้ฟังยังมาได้พูดได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยถือว่าเรามีบุญแล้วแต่เราก็อย่าประมาทในชีวิตบุญเนี่ยมันมีวันที่จะหมดไปได้ ห้เราสร้างเสริมบุญขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันอย่างวันนี้เนี่ยเราก็มาสร้างบุญเป็นชีวิตใหม่สร้างบุญโดยการฟังธรรมเจริญสติการเจริญสติเนี่ยเป็นบุญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเลยที่ว่าสูงสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ย ปฏิบัติแล้วทําให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตจะหมดปัญหาจะไม่มีความทุกข์ใดๆมากล่ํากลายแล้วอีกประการนึงก็คือทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตของเราในแต่และ ว, วันมีความสุขแล้วก็ปราศจากความทุกข์อันนี้สืว่าเป็นสิ่งสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิตเลยเพราะว่าเราได้ที่พึ่ง คือสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเนี่ยเราดูเถอะชีวิตของเราเนี่ยมันมักจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามากระทบโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเนี่ยเรามักจะหนีปัญหาเราไม่เคยเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ใจเรา คือความเห็นผิดเช่นเวลาเราเกิดอารมณ์ที่อยากขึ้นมาใ น, ในใ จ, ใจิตใจสารพัดอยากอยากได้สิ่งภายนอกตัวอยากให้เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เราเป็นคนนั้นคนนี้น่คือความอยากสารพัดที่มีใ น, ใ น, ในใจิตใจเรา เราไม่ต้องไปทำตามความอยากก็ได้เราเกิดมาเพื่อจะทำตามความอยากทุกครั้างทุกกาไปเลยเราต้องฝึกเอาชนะความอยากเราลองมีสติรู้ทันในความอยากดูสิ อ, อ๋อนี่ใจเรามันอยากแล้วนะความอยากนี่เป็นนา ม, มาทําเราอย่าเพิ่งทำตามถ้าความอยากไม่หายไปแสดงว่าสติเรายัางอ่อนอยู่ไม่เป็นไร เราก็วางไว้ก่อนตรงนั้นแล้วแล้วลองกลับมาดูที่กายของเราิฝ่ายของรูปประธรรมรูปประธรรมเนี่ยคือกายเอากายมาเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมยกมือกระดิกนิ้วออมีสติจับ ด, ดูรู้อยู่ที่กายของเราเนี่ยให้มีปัจจุบันที่กายของเราเนี่ยเดี๋ยวความอยากก็หายไปไม่ต้องไปทาตามความอยากหรชนะแล้วเรือบางทีมันอาจจะ มีอารมณ์กโกรธงุดงิดปิดอัดขัดเครื่องมากระทบจิตใจของเรามีสติรู้สักหน่อยมาอ่อนนิใจเรามันงุนงิดแล้วนะเป็นทุกข์แล้วนะกโกรธแล้วนะเอาสติรู้ลงไปอ๋อนี่ความกโกรธเนี่ยมันเป็นนามาทำมันไม่ใช่ตัวเราแร้วเป็นนามาทำคนที่มีสติดีเนี่ยความกโกรธจะหายนะอาจจะหายช้าหน่อย ค, ค่อยๆจางคลายไปก็ไม่เป็นไรหรอก มันค่อยๆ ค, ย ค, ยคายไปแล้วกันถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยความโกรธก็จัอยู่ยิ่งดูยิ่งโกรธก็มีนะไม่เป็นไรเราอย่าไปดูเขาเราวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนตรงนี้นะนำมาทำความโกรธวางไว้ก่อนนะเราลองกลับมาดูรูปธรรมสิดูกายที่เคลื่อนไวนหวนะใช่ไหมเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมเดินเร็วๆขยับขยื่นเคลื่อนไหวเร็วๆที่รูปธรรมเนี่ย พะเราไม่สนใจความโกรธนะนี่มันก็อยู่ไม่ได้ความโกรธเรากลับมารู้ที่กายที่รูปธรรมมีสติตรงนี้แหละรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่รูปเคลื่อนไหวไปมาเดี๋ยวความโกรธมันก็หายไปบางทีมันเกิดอาการเศร้าเบื่อท้อทแท้ กลุ้มออกกลุ่มใจเซ็งอาการเรานี้มันเป็นนามนธรรมมันอยู่ที่จิตใจเรา เ, เป็นส่วนของนามนธรรมถ้าคนที่ขาดสติก็จะเข้าไปเป็นทุกข์กับอารมณ์เหล่านั้นเดี๋ยวก็หนีละหนีอารมณ์ละไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเปิดทีวี อ, อ่านหนังสือหนีความทุกข์หนีความเศร้าความเบือ่ออันนั้นก็ถูกอยู่ แต่ถ้าเราไปไหนไม่ได้ล่ะเราต้องติดอยู่บนเตียงเราไปไหนไม่ได้เราจะทำอย่างไรนี่ตรงนี้น่าคิดนะและชีวิตของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปไหนไม่ได้ด้วยนะอาจจะเข้าโรงพยาบาลอาจจะถูกบังคับเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเราจะทอย่างไรกับอารมณ์เบื่ออารมณ์กลุ้มจะทำอย่างไ ร, ร, ม ร, มมง ไ, รไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปไหนเรามันต้องรู้จักกล้าไปเจญกับความจริงไม่ต้องไปไหน ลองมีสติรู้สักหน่อยรู้ลงไปที่นามธรรมา ท, ที่กําลังเบื่อกําลังเซงดูสิโอนาตาเป็นยังไงเนาะไอความเบื่อนี่ดูสิมันเหมือนแมวไหมอะไรดูลงไปเลยมันเหมือนแมวหรือเปล่าไอความเบื่อความเซงเพอเรามีสติ ด, ดูด้วยจิตใจที่เฉยๆกลางๆแบบไม่ต้องเอาอะไรเดี๋ยวเขาก็หายไปถ้าไม่หายไม่เป็นไรนะเอาลองมาดูกายดูรูปธรรมอีกเห็นไหม เราไม่สนใจกับนามธรรมนนันต้ที่รูปธรรมดูอาจจะเปลี่ยนยนบทบ้างก็ได้ลองไปลดน้ําต้นไม้ไปไดายหญ้าไปปัดกวาดพื้นจัดข้าวจัดของอีเลียบทเรามากไปอาจจะไปไกลๆไม่ได้ก็อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยจับโน้นจับนี้ใกล้ๆตัวจับผ้ามาพับจัดของใกล้ๆมือเราเนี่ยมาใส่ใจที่รูปธรรมไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ตรงนตเนี้ยใกล้ๆตัวเราเนี่ย จะหนีไปไหนเราผู้เจ้าสอนว่าทุกให้กําหนดรู้นะทุกไม่ได้หนีไปไหนพอเรารู้ว่ามันเบื่อเซ็งอตินา ม, มารรมนะแล้วก็มาเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจับของใกล้ๆตัวใช่ไหมถูๆอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยไม่ใส่ใจที่รูปธรรมพอเราไม่สนใจกับ น, นามธรรมาคือความเบื่อความเซ็งเดี๋ยวมันก็หายไป บางทีมันเกิดความคิดฟุ้งซ่านอนอนไม่หลับนะทําไมมันจึงนอนไม่หลับก็เพราะความคิดเนี่ยแหละมันกวนจิตกวนใจความฟุ้งซ่านไอ้ฟุ้งซ่านเพราะว่านะมีอารมณ์ตามมาคื อ, อรําคาญใจนี่โอ้โหตรงนี้แหละทุกหนักไม่เป็นไรนั่นเป็นส่วนของนามธรรมานะความคิดความฟุ้งเราทิ้งอาการตรงนั้นซะ ลองกลับมาดูรูปธรรมดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยดูกายถ้ามันฟุ้งมากๆหนึ่งเราลองใช้วิธีการสวดมนต์บนะัคดาสวดมนต์ผู้พุทธคุณธรรมคุณสังกัคคุณเนี่ยสวดง่ายๆนี่ยหรือฝึกแผ่เมตตาเานี่ยเป็นอารมณ์บุญทั้งนั้นเลยเปลี่ยนอารมณ์บาสมาเป็นอารมณ์บุญเปลี่ยนอกุศลมาเป็นกุศลได้ทันทีเสติที่เราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ เรียนมาง่ายๆใช่ไหมไม่ต้องไปไหนไม่ต้องหนีไปไหนนี่คือนิสัยของนักปฏิบัติทํำสิ่งที่ยากให้มันง่ายนี่คืออุปนิสัยของนักปฏิบัติคนเราเนี่ยเวลามีปัญหานะโดยเฉาปัญหาที่จิตใจเรามักจะมุ่งที่จะเอาปัญหาออกจากจิตใจ อันนี้ก็ดีอยู่เราไม่เคยที่จะเอาใจเราออกจากปัญหาเลยเอาปัญหาออกจากจิตใจกับเอาใจออกจากปัญหาเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยค่ามันต่างกันมากเลยอะไรที่มันทำง่ายป่ากันอะไรที่มันทำยากป่ากันเช่นเวลาเราเห็นความคิดความโกรธเนี่ยเรามักจะผลักดันความโกรธออกไปจากจิตใจเราซึ่งบางทีเรายิ่งผลักใส่มันยิ่งโกรธมันยิ่งคิดเนี่ยมันยากแล้ว แต่ถ้าเราดึงใจออกจากปัญหาโดยการมมีสติรู้กับการเคลื่อนไหวฮ้เอาจิตมาดูรูปธรรมเนี่ยเอาสติมาดูรูปธรรมเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราจะไปผลักสายนา ม, มา ท, ทําทางนั้นจิตใจออกไปมันง่ายกว่ากันเนี่ยมารูปนะมาเคลื่อนไหวมาสนใจที่รูปธรรมหรือเป็นสนใจสิ่งอื่นซะโดยที่ไม่ต้องไปผลักสายเรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตหรอกแค่นี้ใจแล้วออกจากปัญหาได้ มันง่ายกว่ากันเนี่ยมันเป็นทางผ่านของอารมณ์อารมณ์เนี่ยคือทางผ่านของจิตใจเราด้วยนะเขาเรียกว่าด่านอารมณ์สติเนี่ยผ่านด่านอารมณ์ได้ผ่านใหม่อาจจะรู้สึกว่าโอ้มันอั ด, อดมันยากแต่พอผ่านอารมณ์ไปได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขมีปิติในธรรมมีปิติในธรรมเมืม่อเราที่เราเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยทางรถยนต์เนี่ยเราเจอจุดตรวจเจอด่านเยอะแยะเลย ใหม่ๆก็งุนหิดไม่น่ามาตรวจมันทำไมไม่มีเวลาเวลามาเรื่องไงเราจะรีบไปเห็นไหมเรางุดหิดกับไอ้ด่านตรวจแต่พอเราผ่านด่านไปแล้วเนี่ยใจเราเป็นยังไงโอ้ขอบคุณกันเนาะคุณตำรวจเนี่ย <S <S ขเย <S <S ขาให้ความปลอดภัยของเราดูแลเอาใจใส่นะใจเรามันดี <S <S ด้านอารมณ์ก็เหมือนกัน <S <S รู้สึกหงุดหงิดเวลาเกิดอารมณ์แต่ถ้าเราเอาชนะได้ใจเราจะสบายนี่เราพิติตรในธรรม ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่เตียเงินได้สติดได้ปัญญาอารมณ์บางอย่างเนี่ยเราอย่าไปมุ่งที่ขจัดเขาไปต่อต้านเขาเหมือนอย่างกับเอาน้มันไปลาดกองไฟนะเขาก็ลุกฮือขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับรู้รับทราบนะโอ้มันก็เป็นอย่างนี้เองเนาะความคิดนามันตามเป็นเรื่องธรรมดาแค่รับรู้รับทราบเนี่ยเนี่ยถ้ากับเอาใจออกจาก ปัญหานะใจ แ, แล้วก็สบายมีความสุขง่ายเนี่ยทำสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายเนี่ยนี่แหละคืออุปิสัยของนักปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมาให้เราเกิดปัญญาอารมณ์ต่างๆความทุกข์ความเครียดเนี่ยให้เรามีสติรู้สักหน่อยจะสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นปัญญาได้เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาได้จะได้กําไรจากสิ่งเหล่านี้ ทัวเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเพีงเยงแต่เราฝึกสติให้รู้เท่าทันในอาการสักหนัอไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้เป็นทุกข์อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปดับที่อื่นหรอกดับอยู่ที่บ้านทุกข์อยู่ที่ใจก็ดับที่ใจแล้วละดับที่ใจนั่นแหละคือนักปฏิบัติเอาใจออกจากปัญหาซะอย่าบุ่งแต่จะผลักดันปัญหาออกจากจิตใจซึ่งมันยากมันเหน่อยบางทีก็ไม่ได้ผล เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมาอยู่ถึงวันนี้ได้เนี่ยเป็นชีวิตใหม่สำหรับเราแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ซะเลยเป็นชีวิตใหม่โดยการใช้รูปใช้นามที่มีอยู่ในตัวเราที่สมมุติว่าเป็นเราเนี่ยรูปนามนี้ไม่ใช่เรานะ <c oughs> แต่เราสมมุติหน่อยสมมุติว่ารูปนามเนี่ยมาเป็นเราเพื่อทําหน้าที่หน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูก <c oughs> ทําหน้าที่ เอารูปนามที่มีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยโดยสมมติมาทำหน้าที่ทำประโยชน์สูงสุดให้กับรูปนามประโยชน์สูงสุดของรูปนามคืออะไรก็ <c oughs> <c oughs> คือมาเจริญสติ <c oughs> เจริญสติเนี่ยมันดับทุกข์เนี่ยมีความสุขอันนี้คือประโยชน์สูงสุดของรูปนามนะคือดับทุกข์ได้อาศัยการเจริญสติเนี่ยคอยเราทาให้มากๆ ทำให้บ่อยๆทำจนชำนาญแบบมั่นใจได้ทำจนนี่คือว่ารับรองตัวเองได้ทำจนรับรองตัวเองได้ว่าเราจะไม่กลับไปโกรธเหมือนเดิมเราจะไม่กลับไปหลงเหมือนเดิมจะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีแต่ความสุขมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอๆนี่แหละคือชีวิตใหม่